สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนาทกรณ์คนชอบเล่าวันนี้วันพระครับรู้สึกว่าจะเป็นวันแรกของเทศกาลถือศิลกินเจครับก็เป็นเทศกาลที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งแหละที่ลดและบรรเทาการเบรียดเบดียนเพืเ่อนสัตว์โลกไปได้บ้างแต่ว่าสําหรับท่านที่ไม่ได้ถือศิลกินเจก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพียงแค่เราคิดดีทดําดีอยู่เสมอก็ดีแล้วครับเอาล่ะครับแล้วคลิปนี้ เราก็จะมาฟังเรื่องราวจากคนขลังครั้งวิชาของคุณไตรพนนท์สมบูรณ์กันนะครับแต่เราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเดิมทีว่จะทําเรื่องราวของหลวงพ่อ ก, กวยชุดินทโรแห่งวัดโคศิตารามต่อครับเพราะจะมีเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับตัวท่านอีกมากมายแต่ผมได้ไปเจอเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญาครุษมาที่ทางคนขลังครั้งวิชาได้บันทึกเอาไว้เป็นเรื่องราวของหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรพระอริยะสงฆ์ผู้อยู่เหนือการเวลากับเรื่องของคนที่เกิดปีมะโรงกับครุษ คลิปนี้จึงขอพักเรื่องราวของหลวงพ่อโกยไว้ก่อนครับเอาล่ะครับแล้วเรื่องราวของคนที่เกิดปีมะรุนกับครุษจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังครับถ้าจะกล่าวถึงเรื่องราวของอิทธิฤทธิ์และคําสอนของหลวงปู่เดินหนมีมากมายในปัจจุบันเห็นว่าคนนํามาเผยแพร่ต่อผู้คนบ้างตามสมควรเพราะหาไม่แล้วเรื่องราวในหลายส่วนอาจจะถูกลืมเลือนไปหรือไม่ก็สูญไปกับตัวของผู้ประสบเหตุการณ์ที่ต่างเข้าสู่วัยชราและหลายท่านก็ล่วงลับไปแล้วซึ่งก็มาก ข้าพเจ้าได้รวบรวมเรื่องราวของหลวงปู่เดินหนทั้งที่ประสบมาด้วยตนเองและได้สอบถามจากศิษย์อวสุต่างๆและท่านได้ฝากคํากับข้าพเจ้าว่าให้รวบรวมเรื่องราวของหลวงปู่ไว้ไม่อยากให้สูญหายลืมเลือนกันไปเพราะทุกเรื่องล้วนเกิดขึ้นจริงทั้งสิน้นข้าพเจ้าขอตั้งสัตยปฏิญาณว่าเรื่องราวทุกเรื่องที่นําเสนอไปหากเรื่องใดไม่เป็นความจริงหรือว่าแต่งขึ้นมาจากจินตนาการมีการสร้างสรรค์ปั้นเรื่องมาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเชิงพุทธาพาณิชย์ผิดิีลธรรม ทั้งในวันปัจจุบันตราบอนาคตเบื้องหน้าก็ตามเทขอข้าพเจ้าจงวิบัติพลัดพรากจะได้เจริญสถาพรเลยและในวาระนี้ขอนําเรื่องราวความเชื่อเรื่องปีเกิดกับรูปเคารพของผู้ที่เกิดปีมะโรงปีมะเส็งกับรูปครุฑมาถ่ายทอดให้ได้ทราบกันโดยเรื่องราวดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าได้รับฟังมาจากอดีตผู้บริหารท่านหนึง่งที่เกิดความทุกข์มาจากความเชื่อด้วยเพราะว่าตัวท่านนั้นเกิดปีมะโรงที่ย้ายเข้าไปทํางานในสถานที่ซึ่งมีรูปครุฑ อ, อยู่ด้านหน้า จึงเป็นที่มาของเรื่องราวที่จะเล่าดึงต่อไปนี้และนี่ก็คือเรื่องราวจากความทรงจําที่พบเห็นเรื่องนี้ด้วยตนเองของข้าพเจ้าท่านผู้นี้ได้เดินทางมาปรึกษาหาทางแก้ไขกับหลวงปู่หากจะกล่าวไปหลวงปู่ท่านเป็นผู้รู้ราตรีนานมีอายุการผ่านมาเดินนานนับพันเปรเรื่องอายุของท่านท่านไม่เคยตอบตรงๆท่านเคยบอกกับศิษย์ที่ถามอายุท่านว่าหากนําเอาปู่ถวยขมผูกเจ้าสิบคนมารวมกันยังไม่เท่าอายุของปู่เลย ท่านผ่านวันเวลามายาวนานเกินคาดเดาท่านรับรู้สัตว์ต่างๆในอดีตอาจารย์ผู้เลื้ยงน้ำไหลายท่านในอดีตเคยเดินทางมาทดสอบด้วยวิชาความรู้เท่าที่ตนมีแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับหลวงปู่ท่านทุกรายไปเรื่องความเชื่อที่จะนํามาเสนอนี้มีเจตนาเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ท่านมักสอนให้สิทธิใช้ปัญญาและให้รู้จักนําปัญญามาช่วยเหลือตนในเหตุการณ์ต่างๆมากกว่าที่จะมาส่งเสริมให้สิทธิมัวเมาและจมอยู่แต่กับความเชื่อที่ไร้เหตุผลที่ไร้ซึ่งทางแก้ไข หรือคอยแต่จะให้ผู้อื่นมาช่วยเหลืออันเป็นช่องทางที่พวกมิจฉาชีพที่มักแฝงตัวมาในคราบนักบุญมักใช้หลอกล่อหากินเป็นความเชื่อความศรัทธาเป็นความไม่รู้ไร้หลักยึดของผู้คนในปัจจุบันหลวงปู่เดินหนนท่านกล่าวถึงผู้ที่เกิดปีมะโรงปีมะเสงว่าเมื่อเกิดในปีเดังกล่าวแล้วตัวผู้เกิดนั้นกลายเป็นนาคเป็นงูหรือมีอุปนิสัยจใจคอเป็นในทางปีเกิดดังกล่าวนั้นหรือไม่ ออกหากินของสดของข่าวหรือกินเนื้ออย่างงูกินอย่างพญานางหรือไม่ต้องไปอาศัยนอนอยู่ในดินในน้ําด้วยหรือไม่ท่านว่ามันก็แค่ปีเกิดตามหลักโหราศาสตร์แต่ตัวเราก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่เช่นเดิมตัวอย่างดังท่านผู้นี้เป็นต้นท่านได้รับการแต่งตั้งให้ไปช่วยดูแลธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาที่ธนาคารจะมีรูปครุฑตัวใหญ่มากอยู่ด้านหน้าผู้บริหารท่านนี้เป็นสิทธิของหลวงปู่เดินหนท่านเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา เกรงว่าจะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยว่ามีหมอดูทักทํานายมาว่าตัวท่านเกิดปีมะโรงหากเดินรอบไต่ครุฑทุกวันจะแยะ่เพราะครุฑกินหนักเป็นอาหารท่านจึงมีความจําเป็นต้องเข้าออกทางหลังตึกบ้างเข้าทางใต้อาคารขึ้นลิฟต์โดยการเข้าไปทํางานของท่านไม่ใช่ประตูด้านหน้าเลยซึ่งรแรกๆก็ไม่ลําบากอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าแท้เกิดความลําบากแฮะไปไหนเมื่อไหนทีก็ยุ่งยากและทุกสิ่งกิริยาที่ท่านทํา ทำให้เหล่าพนักงานต่างสงสัยเมื่อสังเกตเห็นกันได้ว่าท่านไม่ยอมเดินออกประตูหน้าแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามท่านแต่ก็อย่างว่าแหละผู้ทุกข์อยู่ในความเชื่อก็คือท่านจนภายหลังท่านผู้นี้ทนไม่ไหวกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจจึงได้เดินทางมากราบหลวงปู่เดินหนทั้งขอปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นว่าประสบเหตุการณ์เช่นนี้ควรมีทางแก้ไขอย่างไรและเวลานั้นข้าพเจ้าเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยคอยเป็นอนุมานหน้าพระเพลามีหน้าที่คอยหยิบของตามที่ท่านสั่ง แล้วก็บีบนวดอันเป็นหน้าที่ประจําจึงได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวต่างๆชัดเจนประชาวบ้านเขาแล้วก็จดจําได้เกือบทุกเรื่องจบจนทุกวันนี้สำหรับความทุกข์ของท่านผู้นี้หลวงปู่ตอบเขาว่าหมอดูเวลามันดูมันรู้ไม่ว่านาเ ก, กับครุดเขาไห่กินกันจริงไหมคนผูดมันเกิดทันหรือและนาหน้าตามันเป็นอย่างไรครุดหน้าตามันเป็นอย่างไรนอกจากรูปวาดมันเคยพบตัวจริงหรือไม่ คนเราอยากจะเป็นผู้รู้เป็นเอกในสิ่งที่ตนหากินเขาก็ตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้คนฟังเขาต้องมาปรึกษาพึ่งพาเขามันเป็นอย่างนั้นคนเรามักจะระแวงเกรงกลัวในสิ่งที่ตนมองไม่เห็นนี่มันก็คือจุดอ่อนของผู้ไร้ปัญญายานตัวรู้ยานสมาบัติได้ไม่มีก็ต้องหาพึ่งผู้รู้และผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้รู้นั้นรู้จริงหรือไม่ทั้งเป็นผู้สงคุณธรรมแท้จริงหรือไม่ หรือเพียงผู้ใสชุดขาวประครอบคลุมความขาวเน่าเหม็นภายในไว้เห็นนี้เองเมื่อคนเราพระมองเห็นใครที่ดูภายนอกว่าน่าเชื่อดูภายนอกน่าเคารพใจดีมีศินเขาพูดเราก็เชื่อเข้าไปสมัยนี้ผูกมือถือสากปากถือศินมีมาแล้วหากย้อนถามว่าหากเขาพูดผิดพูดไม่จริงแล้วใครจะทักท้วงได้ในเมื่อยังไม่เจอคนที่รู้จริงยิ่งกว่ามาหากล้างเหตุผล ปัจจุบันผู้รู้จริงล้มล้มหายตายจากไปเสียมากจะเอาอะไรเป็นกันสารในเรื่องที่เขาพูดหากพูดทํานายทายทักแล้วเขาช่วยเราโดยไม่คิดคาตอบแทนช่วยส่งเคราะห์โดยใจเมตตาแท้จริงก็นับว่ ด, ดีมีเสียหายแต่นี้ผู้ที่ทักทํานายก็ล้นแล้วแต่มีผลประโยชน์ในด่านต่างๆพ่วงท้ายมาทั้งสิน้นในเมื่อพากันเชื่อถือตำามกันมาแต่อดีตโดยไม่รู้วิธีแก้หรือรับเหตร้ายกลายเป็นดี เอาแต่ทักทำนายในทางร้ายให้ผู้คนกลัวสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งเหล่าหมอหรือให้ความสำคัญแก่ผู้พูดบอกยกว่าให้เป็นผู้รู้และสาธิผู้ น, นั้นคิดขึ้นมาให้เป็นสิ่งที่ถูกทั้งที่ปีเกิดหาจะใช้ส่งผลไปตามที่เขาบอกทุกเรื่องก็าหาไม่เช่นนี้แล้วจะเอาอาะไรมาเป็นก่นสารนี่เป็นใจความคำพูดสอนที่หลวงปู่เคยกล่าวไว้หลวงปู่ท่านกล่าวสอนอีกว่า ตัวเราเกิดมามีพ่อแม่เป็นมนุษย์และมนุษย์ย่อมเหนือกว่าทุกภพทุกภูมิทั้งนาครุฑพรหมเทพที่ต่างไม่สามารถทําบุญได้เช่นมนุษย์แม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาบําเพ็ญในภพมนุษย์พระอรหันต์ก็ต้องสร้างบา ร, รมีในภพมนุษย์มนุษย์เหนือกว่าที่มีโอกาสทําทุกอย่างเหนือทุกภพภูมิเหตุนี้จะไปติดประตูเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นตัวนั้นเป็นตัวนี้อยู่ทําไม ในมือตัวเราทำตัวเราจะเลือกทางเหตนเป็นได้ถึงอรหันก็ยอมได้แล้วยังจะไปเป็นนาคเป็นครุฑย้อนกลับหลังไปทำไมจึงไม่ควรไปเชื่อเรื่องที่เขาอ้างปีเกิดตีนั้นปีนี้ว่าไม่ดีไม่ถูกกันไปต่างๆนั้นนะหลวงปู่เดินหนนท่านสอนสิทธิ์ผู้มาขอคำชี้แนะว่าควรแก้ไขยังไรท่านกล่าวว่าการไม่สบายใจอย่าคิดแก้ไขอาถรรพ์ของครุฑนั้นไม่ยาก ผู้บูชายอมได้รับการวอวยพรและบูชาต่อเป็นธรรมชาติศัตรูก็อาจเปลี่ยนเป็นมิตรได้หากเราเคารพและดีต่อเขาที่เล่าสืบมาว่านาคกับครุฑทะเลาะกันนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเรานี่เมื่อเราไปเผาวิมานเขาครุฑมาจึงตรงนี้เขาท่านฉีมือไปทังสิทธพูดถามและพูดติดตลกว่าหรือเองไปแย่งเอาอีนางกา ก, ากีมาจึงต้องหลบลี้เขาท่านพูดพลางหัวเราะเบาๆสิทุกคนต่างหัวเราะกันเคลิน วิธีรับและแก้ฐานพยาครุตหลวงปู่ท่านกล่าวย้ำว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์เกิดปีมโรงและเหตุใดท่านจึงอยู่กับรูปครุตได้ไม่เห็นท่านเป็นอะไรสุดท้ายเมื่อท่านผู้บริหารได้ฟังจึงได้ไปจัดหารูปวาดพยาครุตมาจากที่ใดไม่ทราบชัดท่านนํารูปครุตนี้มาขอความเมตตาให้หลวงปู่ปลูกเสกให้จากนั้นก็นําภาพนี้ไปใส่กรอบตั้งหิ้งบูชาอย่างดีไว้ในห้องทํางานเรียกว่าบูชาท่านเป็นการส่วนตัวเลยในห้องทํางาน ต่อมาท่านผู้นี้การงานก็ราบรื่นดีตลอดมาไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเรื่องของครุฑนี้หากหน้าบ้านหรือร้านค้าโดยสถานที่ซึ่งมีรูปครุฑอยู่หันประจันหน้าเข้าใส่โดยมากบ้านช่องมักไม่เจริญเพราะอำนาจครุฑที่กล้าแข็งให้แก้โดยนํากระจกเงามาตั้งประจันหน้ากับรูปครุฑนั้นให้เงาของครุฑสะท้อนอยู่ในกระจกแล้วตั้งหิ้งหรือโต๊ะหมู่เล็กๆใต้กระจกนั้นถวายดอกไม้เครื่องบูชาทําการคาระวะครุฑนั้น การรับและทําการคารวะครุษเสียเลยเช่นนี้ครุษท่านจะไม่ส่งผลร้ายแก่ผู้บูชาวิธีแก้อถันพยาครุษแบบเข้มแข็งรุนแรงเรียกว่าต่อสู้แบบหักล้างกันเลยก็คือให้ทําการหล่อสร้างรูปเหมือนชายร่างใหญ่กำยำใหญ่โตสูงราวสองเมตรเศษในมือถือธนูหรือเรียกว่าเกาทันแล้วหันหน้าเล็งธนูมือก็ง้างใส่ธนูพร้อมยิงเข้าหารูปพยาครุษแสดงท่าทีหมายยิงพยาครุษให้ตกลงมาเช่นนั้น ช้ยถือธนูผู้นี้หลวงปู่บอกให้สลักชื่อไว้ที่รูปด้วยว่าซียิ่งกุย้ยท่านเล่าว่าชายผู้นี้เป็นชาวจีนในสมัยโบราณเดิมทีเป็นพรานฝีมือดีภายหลังเป็นแม่ทัพมีกำลังเหนือมนุษย์ขอเพิ่มเติมให้ทราบ พ, พอสังเขปได้ดังนี้ซียิ่งกุ้ยเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในพงศ์สวดานของจนีนเป็นเรื่องราวของแม่ทัพที่มีพลังกำลังมากและไม่เคยแพ้ใคร และเป็นแมทัพที่งักหวยเวลาประหลุษอีกคนในวัฒนธรรมจีนรุ่นต่อมานับถืออีกด้วยสียินกุ้ยเกิดที่มณฑลซานซีในปีคศ614ซึ่งตรงกับรัชสมัยฮ่องเต้สุวยหยางตี้แห่งราชวงศ์สวยโดยไม่ทราบประวัติก่อนหน้านี้ทราบแต่เพียงว่าสียินกุ้ยและภรรยามีแท่เล่ามีชื่อเดิมว่าซิลี่และมาจากครอบครัวชาวนาที่ยากจนก่อนที่จะสมัครเป็นทหารจนเติบโตในหน้าที่จนถึงเป็นแม่ทัพใหญ่ ได้รับราชการถึงสองราชการในราชการของห้องเต้ถังไทจงและห้องเต้ถังเกาจงเป็นแม่ทัพที่มีบทบาทสําคัญในยุคราชวงศ์ถังกับการทําสงครามกับอาณาจักรถังทิศตะวันออกหรืออาณาจากักรโกครุยอในปีคศ640และอาณาจักรถังทิศตะวันตกในปีคศ670ซึ่งก็คือทิเบตในปัจจุบันก่อนที่จะเสียชีวิตไปในปีคศ683ทว่าถึงตํานานก็มีดังนี้ ทงเตถังไทจงแห่งราชวงศ์ถังคืนหนึ่งทรงสุบินร้ายว่ามีปีศาจบุกมาทำ ร, ร้ายพระองค์แต่แล้วก็มีบุรุษผู้หนึ่งสวมชุดขาวทั้งชุดโผล่เข้ามาจัดการปีศาจ ต, ตนนั้นด้วยทวนวงเดือนและเมื่อพระองค์ตื่นจากพระบรนทมโหราจารย์ได้ทํานายพระสุบินว่าคนผู้นี้จะเป็นแม่ท้าวที่เก่งกล้ามาช่วยเหลือพระองค์สถาปนาราชวงศ์ถังพระเจ้าค่ะสียินกุยเป็นบุตรชายของซีเอ็งและนางพัวเสีแต่ถือได้ว่าเขาเป็นเด็กที่ประหลาด เพรว่าตั้งแต่เกิดจนถึงอายุสิบหไม่เคยพูดหรือเปล่งเสียงเลยสักคำจนบิดามารดา น, นึกว่าเป็นใบแต่แล้วจูจ่ๆวันหนึ่งสียินกุ้ยก็เผยอุาาทานรณ์อกมาหนึ่งคำผู้คนจึงได้รู้ว่าไม่ได้เป็นใบจากนั้นเมื่อทางการมีประกาศ ร, รับสมัครทหารสียินกุ้ยจึงได้สมัครเป็นทหารและสร้างผลงานไว้ตั้งแต่เป็นพลทหารจนกระทั่งถึงเป็นแม่ทัพใหญ่ในที่สุดสียินกุ้ยเป็นผู้ที่มีพละงกำลังวังชามากเก่งกาจทั้งการขี่มา้าใช้ทวนและยิงธนู มักขี่ม้าขาวและสวมเกราะสีขาวออกรบสามารถหักค่นต้นไม้ได้ด้วยมือเดียวและทานข้าได้ถึงวันละเจ็ดถังสู้กับข้าศึกนับร้อยได้ด้วยตัวคนเดียวเรื่องราวความเก่งกาจของซียินกุย้ยถูกเล่าขานเป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันมีปรากฏในส่วนต่างๆในวัฒนธรรมจนีนเช่นภาพวาดในศาลเจ้าต่างๆหรือการนับถือให้เป็นเทพเจ้าในบางแห่งได้รับการเรียกขานนามว่าเจ้าเสือขาวหรือคุณพลเสือขาว ส่วนเรื่องราวของสียินกุ้ยที่หลวงปู่เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเหตุใดต้องใช้ภาพสียินกุ้ยมาปราบครุฑและมีความเป็นมาอย่างไรขอยกไปกล่าวถึงในวาระต่อไปในภายหน้าเกรงว่าเรื่องราวจะยืดยาวเกินไปวิธีการแก้อัฏรานพยาครุฑแบบหักล้างรุนแรงวิธีสุดท้ายนี้หลวงปู่ท่านไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ท่านว่าเป็นมิตรย่อมดีกว่าเป็นศัตรูหากแก้อัฏฐานพยาครุฑ ด, ด้วยวิธีหักล้างรุนแรงได้ก็จริงอยู่แต่ครุฑเขาก็มีเพื่บริวาร เหตุนี้หากล้างอาัานครุไปได้แต่ก็จะมีผลร้ายเดือดร้อนเล็กๆล็กน้อยจากบริวารของพยาครุเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนลุ่มลึกเกินกว่าตาเนื้อจะมองเห็นได้หลวงปู่ท่านจึงได้แนะนำให้แก้ด้วยวิทีรับและบูชาอย่างมิตรไมตรีดีที่สุดเรื่องราวทั้งหมดที่ได้บอกเล่าไปดังนี้เป็นเพียงเกล็ดเล็กน้อยอาจมีประโยชน์เป็นความรู้กับท่านที่สนใจ พรลวงปู่ท่านมักสั่งสอนสิทธิ์ให้รู้วิธีแก้ไขหรือทําการต่างๆในชีวิตของตนด้วยการพึ่งตนเองท่านไม่ส่งเสริมให้สิทธิเชื่อตดวงชะตาหรืออะไรๆก็โทษส่งไปให้เรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็นแต่เพียงถ่ายเดียวลงปู่ท่านว่าเรื่องลี้ลับนั้นมีอยู่จริงแต่หลายเรื่องเกิดจากกําลังใจที่ถดถอยหรือความคิดของตัวเราที่ทําลายตัวเราเองเรียกว่าความคิดเป็นศัตรูตัวเองท่านมักให้ใช้ความพยายามและความรู้ที่ท่านสั่งสอนช่วยเหลือตนเอง แต่สมัยก่อนนั้นเราสิทธิ์เห็นมีหลวงปู่อยู่ก็เคยตัวโดยมากรับฟังเอาไว้แต่สุดท้ายก็มาขอท่านชว่วยเหลือทั้งเส้นส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นพวกชอบจดจำชอบศึกษาศาสตร์ที่เป็นภูมิปัญญาและความรู้ต่างๆที่หลวงปู่สั่งสอนจึงพอมีเรื่องราวมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายที่สนใจดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่พวกใส่ชุดขาวหลับตาเพื่อสร้างภาพเป็นเพียงแค่คนบาปที่ผ่านมาคนขลังคลังวิชา ครับผมแล้วคลิปนี้ของคนณขลังคลังวิชาของคุณไตรพนนาคสมบูรณ์ก็จบลงครับหากซุ่มเสียงไปแปลกไปก็ขอไปด้วยนะครับเมื่อคืนเจอฝนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปตามรอยหลวงพ่อกวยชุดินทโรกันต่อครับแล้วก็จะสลับกันไปบ้างเพราะว่าในเพจคนณขลังค ล, ลังวิชามีเรื่องราวอีกมากมายครับที่อยากให้ท่านได้ทราบเอาละครับเช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ารวยอุดมสมบูรณ์